หกจการมีครอบครัววงเล็บเปิด13บมเมษายน2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที30วงเล็บปิดการที่มีครอบครัวแล้วจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหรือไม่อันนั้นแล้วแต่เวรแต่กรรมนะอย่างหลวงพ่อมีครอบครัวนะแม่บ้านเขาเป็นคนชวนเราบวช ด, ด้วยซ้ําไปมันอยู่ที่เราเลือกคนนั้นมีศรัทธาเสมอกับเราไหมมีศีลเสมอกับเราไหมถ้ามีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกัน ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกันถ้าไม่เสมอกันมันก็ถ่วงกันยกเว้นเขาดีกว่าเรานะถ้าศรัทธาเขาดีกว่าเราศีลเขาดีกว่าเราอย่างนี้ก็น่าเลือกหรอกแต่ถ้าแยก่กว่าเราอย่าไปเอาเลยอย่างมาถามหลวงพ่อเรื่องนี้นะถ้าหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปแต่งมันเลยหาภาระถ้าได้อย่างนี้ใจจะฝ่อซ ะ, ะเปล่าเด็กหลายคนเลยทนไม่ได้ก็เลือกให้มันดีหน่อยก็แล้วกันแต่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งนะ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเวลาจีบกันเนี่ยเราเห็นแต่ตัวปลอมนะตัวจริงของแต่ละคนเนี่ยแก้ไม่ได้นะนิสัยคนหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยนจำไว้นะหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยนดังนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หญิงเราเห็นผู้ชายคนนี้ขี้เกียจคิดว่าเดี๋ยวมาอยู่กับเราแล้วเราจะดัดสันดานให้ขยันเข้าใจผิดแล้วแต่มันจะพาเราขี้เกียจไปด้วยเพราะฉะนั้นคนไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆหรอกเวลาเลือกลำบากนะ ทางที่ดีภาวนาให้ได้เจโตปริยาญาณก่อนมันจะหลอกเราไม่ได้นะได้แล้วค่อยไปดูว่าคนไหนเหมาะกับเรา